จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องดีทุกอยู่ที่ตัวเราโดยพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทพิขุวัดชประทานลังสริปปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่18มกราคม2541ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะ บัดนี้เขาปิดไฟเพราะว่าย้ายเสาย้ายเสาไฟหน้าวัดเลยปิดวันเอินไม่ทำไม่ทำวันอาทิตย์วันที่เขามีงานวัดเต้อะทำแต่ว่าไม่เป็นแล้วเพราะวาเปิเครื่องไฟพิเศษใช้ได้ ช่วงครั้งช่วงคราวตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมบนนั่งตามสบายตั้งใจฟังด้วยดีต่อไปสภาพของชีวิตสังคมในเรื่องของลูกในปัจจุบันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ พระธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราได้ยินพระพูดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่าสามัญลักษณะหมายความว่าเป็นลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่งตั้งหลายเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ค น, คนก่อนจศพระพุทธเจ้าเขารู้โูกันแต่ว่าความเป็นอนัตตาไม่มีใครรู้ ไม่มีศาสดาไหนเป็นผู้สอนเรื่องอนัตตาสอนแต่เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่อนัตตาไม่เคยสอนข่านเจ้าชายจิตตตะออกบวชศึกษาค้นฟ้าหลักธรรมใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเป็นเวลาด่านถึงหกปียังได้กระสู้เป็นพุทธ พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เวความเบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้ก็รู้เรื่องอนิจจังทุกข์กมอนัตตาอ น, นี้อนัตตานี้เป็นของใหม่ความจริงไม่ใช่ใหม่มันมีอยู่แต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข แต่ไม่รู้ว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาที่ไม่รู้ว่าอนัตตา เ, าเพราะว่ามีความยึดติดในอัตตาอัตตาแปลว่ามีตัวมีตนมีความยึดติดในอัตตาสําคัญว่ามีตัวถาวรมีตนถาวรในศาสนาพราหมณ์สอนเรื่องมีตัวที่ถาวร เรียกว่าอาตามันแล้วก็มีเรียกคำเดังว่าปารมาตามันหมายความว่าตัวใหญ่เป็นตัวที่ให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นตัวถาวรแต่ว่าพระพุทธเจ้ากัดสรู้จึงได้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีตัวที่ถาวร มันมีแต่ความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของความเปลี่ยนว่าถึงที่สุดของความเปลี่ยนก็บทความเปลี่ยนบทความเปลี่ยนก็คือแตกสลายไปวันหนึ่งโลกที่เราอยู่นี้จะต้องสลายไปแต่ว่าไม่ต้องเป็นกนังวล ว่ามันจะสลายเมื่อไรมันสลายอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้แต่กฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับความเกิดที่มันเป็นชีวิตอยู่เคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนนั้นคือความมีชีวิตตัวชีวิตก็เกิดตัวเปลี่ยนแปลง หรือตัวไหลไหลอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่งสิ่งที่ไหลไม่หยุดนั่นคือชีวิตเช่นชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบ่าใดความเปลี่ยนนั้นถึงที่สุดก็คือความตายความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนการไหลหยุดตรงไหนก็เรียกว่าดับกันที่ตรงนั้น ทุกชีวิตต้องเป็นเหมือนกันสรรพสิ่งตั้งหลายที่เกิดมีอยู่ในรูปเป็นสภาพเช่นเดียวกันคือไม่เที่ยงแล้วก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันมีสิ่งคอยชดเชยลงแตง่งสิ่งที่ชดเชยนั้นก็คือ สิ่งที่เราใช้ยอยู่ในชีวิตประจําวันเช่นใช้ลมหายใจเข้าออกน้ำเด่มอาหารที่เรารับประทานสิ่งเหล่านี้กลับไปชบเฉยความเปลี่ยนให้มีอยู่ต่อไปแต่เมื่อใดมันเกิดขัดข้องสิ่งชบเฉยนั้นมันเข้าไปไม่ได้เช่นหายใจไม่ได้ก็ต้องตายเดิมน้ามไม่ได้รับทานอาหารไม่ได้ มันก็ต้องถึงที่สุดกันการถึงที่สุดนั้นก็เพราะมีโรคไปใกล้เจ็บเข้ามาเบียดเป็เปียนร่างกายเพราะฉะนั้นคนทุกคนมักจะมีโรคประจําตัวประจํากายไม่อย่างใดก็อย่างนด่งแต่โรคเกิดขึ้นในร่างกายเราหยุดมันไม่ได้เกิไม่มียารักษาเราก็ต้องถึงแก่ความแตกดับไป เด็กที่เกิดมาแต่ต่ออะน้อยก็มีรูป ต, ต่างๆปาตะกี้นี่มีคนสองคน <c oughs> บอกว่ามาตําบลให้แก่หลานถามว่าหลานเป็นอย่างไรหลานเป็นโรคโรคตัวโลหิตขาวมันกินโลหิตแดง <c oughs> เขาเรียกตามภาษาว่าอะไรตาลัสซีเมียเด็กที่เป็นโรคอย่างนี้ มันจะไม่เติบโตไม่แข็งแรงเพราะว่าโลหิตขาวความเจิงโลหิตขาวเนี่ยก็เปรียบเหมือนทหารที่รักษาประเทศชาติโลหิตขาวก็เป็นทหารเรียงร่างกายคอยทำลายศัตรูแต่ว่าโรคนี้โลหิตขาวแทนที่จะทำลายศัตรูมันทำลายเจ้าตัวเอง เคยทำลายเจ้าของทำลายโลหิตแดงโลหิตขาวมันกินโลหิตแดงโลหิตแดงก็ร้อยลงไปเรื่อยๆผิวพรรณซูบชิดไม่เติบโตแข็งแรงผลทท่จุดก็เถืงแก่กรมยังไม่มียาที่จะรักษาโรคที่ย่อยากงัดเป็นแต่พอปะทะปะทั ง, ะทงกันไปเท่านั้นเอง ในบางถิ่นเช่นภาคใต้จังหวัดพัทลุงนี่มีคนเป็นโรคนี้กันมากตัวเล็กไม่โตอายุสิบกปีแล้วตัวนิดเดียวนอนอยู่โรงพยาบาลต้องป่องหอมรับสีโครงได้ชัดเจนแล้วก็ไปไม่รอดกิะวิธีรักษาก็ต้องเอาเลือดช่วยรับเลือดมาจากคนอื่น แต่เลือดที่รับมาจากคนนึ่นนั้นต้องเอามาพัฒนาเือ่มีอกเครื่องสำหรับแยกเลือดเครื่องแหลกยืดเลือดนี้ก็ราคาแพงออสมควรจะเรียกว่าแพงก็ไม่ถูกแปลว่าราคามันมากอยู่ร้อยเครื่องมือแพทย์แต่ละชิ้นในราคามากทั้งนั้นราคาเครื่องแยกเลือดนี่ราคาตั้งแปดแสนห้าเมื่น ชิ้ดเดียวโตเท่าอาีราคา 800,000 หน้าเหมือนติโรงพยาบาลพัฒนุลงไม่มีเครื่องมือนี้กระทรวงสาธารณาสุขส่งผู้ตรวจการไปไปตรวจรูปไปใกล้เจ็บกมม็มาาไมยไปตรวจพบว่าเด็กๆจังหวัดนี้เป็นโรคนี้กันมากเลยบอกผู้อำนวยการว่าต้องมีเครื่องมือสำหรับแยกเลือด แต่ไม่มีเวลาได้เลือดต้องวิ่งร้อยกิโลไปหัดใหญ่เอาไปแยกที่โนนแยกแล้วพากลับมาร้อยกิโลจะื่จะช่วยคนไข้ได้เป็นความลำบากแก่แทย์เป็นความลำบากแก่คนไข้แต่ว่าขอก็ประมาณก็ไม่ได้คือหวมเอืองไม่ว่าพระเกไหนโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรตา่าง ขอมาไม่ค่อยได้คือว่าเวลาขอมาที่กระทรวงเนี่ยมกองสูงหลายจังหวัดต่างคนต่างขอมากองใหญ่ก็มากองอยู่ที่โต๊ะไม่ค่อยได้ต้องมีเส้นมีสายต้องมีคนไปวิ่งเต้นในกระทรวงดึงออกมาแล้วเขาพิจารณาให้ แต่ถ้าไป ม, มีเส้นสายไม่มีใครดึงเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ผ่านพ้นไปปีนั้นไม่ได้ปีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่อยก็คนป่วยก็ต้องอป่วยไปตายไปตามเรื่องตามเราเพราะไม่มีการทางราชการให้ลํำบากพวกหมอเขาเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องเพิ่งพระดีกว่าก็เลยมาทีรองพ่อ บอกว่าหลวงพ่อช่วยที่อื่นมาหลายแห่งแล้วยางมันได้ช่วยโรงพยาบาลพัทนุง ก, ก็นเลยขอความช่วยเหลือหลวงพ่อบอกให้ ไ, ไปดูราคาเท่าไหร่กขบอกไปดูมาเสร็จแล้วราคาแปดแสนหน้ามินบอกว่าไปสั่งเลยให้เอาไปให้ในวันที่นั้นหลวงพ่อจะไปด้วยนัดคนทั้งจังหวัดมาทอดผ้าป่า เพื่อได้ร่วมกันความจริงเงินก็จ่ายให้เขาแล้วแต่ว่าการทอดปาป่าเรียกว่าไปรวมคนเพื่อํำความเข้าใจกันให้เห็นว่าการช่วยเหลือกิจการสาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นก็เลยนัดคนมาทอดปาป่าได้เงินแปดแสนพอดีบริษัทเขาลดไปห้า0มื่ ก็ต้องอจ่ายไปแล้ ว, ลวนวความเจองรองพอดเอาเงินโบนิตี้ให้เขาแล้วแต่ว่าได้มาก็เลยมอบให้โรงพยาบาลสำหรับใช้จ่ายในเรื่องนี้ต่อไปปีหลังก็ไปทอดอีกอกลับดีกว่าปีก่อนเอได้กันหนึ่งล้านหมืได้มากกว่าปีนี้ก็จะไปอีกไปวันที่23สาม ทอดวันที่24ตะเวทตกอยู่ในใจว่าปีนี้คงจะแย่น่อยเพราะว่าการเงินตกต่ำแต่ว่าก็เอาไปทอดติดต่อไว้ให้คนไม่ลืมก็จะเดินทางต่อไปตามเรื่องที่เคยทำก็เป็นการช่วยกิจการสาธารณกุศลตามว่าดนอกเลยมันเป็นอย่างนั้นโรงเรียนบางแห่งหลอดเสาทิ้งไว้ ไม่ได้ก็ประมาณขอมาก็ไม่ได้ไมียู่แหงนี่นเกาะใหญ่จังหวัดสงขลาเกาะใหญ่นี้มันอยู่ในทะเลสาบ พ, พัทลุงแต่ทางราชการเรียกว่าทะเลสาบสงขลาเป็นการเอาเกลี่ยไปหน่อยเพรอบมาสงขลาไม่มีน้ําไหลลงทะเลสาบน้ำที่ไหลลงทะเลสาบเป็นน้ําของพัทลุงตรงนั้น แต่เอาเชื่อไปตั้งเป็นทะเลสาบสงขลาส่วนที่อยู่กับสงขลามันน้อยแต่อยู่กับปัตตลุงมากกวา่าอามาเลยไม่เรียกตามราชการแต่เรียกว่าทะเลสาบปัตตลุงกอใหญ่ก็อยู่ในทะเลสาบปัตตลุงมีรังนกรางแอนอยู่ที่ก็สี่ก็ห้ากอสีก็ห้าก็ ส, กากสงขลาเอาไปก็ได้พาษีรังนก ไม่ให้ปัตตลนุงแต่อาจายน้ำของจังหวั ด, ดปัตตลนุงไปอย่างนั้นก็โรงเรียนที่ทราบที่กอ่อใหญ่ก็ไม่สำเร็จอาจารย์อ่าครูใหญ่ไปเยืมเมกันชาวระดุด 20, <c oughs> สองหมื่นเสียดอกเดือนละสองร้อยแต่ยังไม่ได้ทุนก็เสียดอกเรื่อยไปก็เลยจัดงานจัดงานงานดก หาเกินถ้าโรงเรียนจัดงานแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วพอดีครูใหญ่นั่งเรือจากเกอใหญ่สบายก่อนต้องไปเรือไปอำเภอระดุเกิดลมพายุใหญ่พัดเรือลบมครูตายเลยก็ไม่ได้สักครูคนใหม่มาอยู่ก็ดำเดิน ง, งานต่อก็ยังไม่ได้สัก ลองพ่อไปเทศเตี่ยมเปอระโดษพอดีนอนหลับแล้วโครมาเดินหลายเท้าลุกไปลุกขึ้นถามม่าเรื่องอะไรต้องขอความช่วยเหลือหน่อยลุกขึ้นนั่งช่วยอะไรช่วยหาเงินมาสร้างโรงเรียนหน่อยเอาจันไม่ใจกระทรวงศึกษาเธอต้องไปขอกระทรวงที่สพจ ขอหลายคนแล้วยังไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหรต้องใช้เงินประมาณสักสองแสนเรียกเสร็ จ, จ, จ, รจววทำเรื่องใหม่แล้วก็พิมพ์เป็นสองก็ปี้สองฉบับส่งไปกรดส่วงแร่งเอาไปส่งไปหลวงพ่อหนึ่งอาเด็กเขาก็ทาส่งมาหลวงพ่อเขาไปที่กระทรวง ไปหาอาทิบดีเจ้าหน้าที่หน้าหอ้องมันบอกว่าอาทิปวีเป็แขกมันไม่รู้ว่ารองพ่อคือใครอกว่ารอก่อนนั่งรอลลลลลลแขกนะไยพูดนานแล้วเกินพูดนานตั้งชั่วโมงแล้วแขกจังไม่โผล่ออกมาเลยไอ้นี่เป็นเรื่องของหน้าหอ้องคอยกันคนแม่เข้าไปรับบัวอาทิปดี ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูหลองพ่อได้ไม่ได้มารับพวนอาทิตย์พอดีนะมางานของปฐมศึกษาจะมาคุยกันท่านอาทิปย์ดีหน่อยแกก็บอกเอาที่บนไม่มีแขกสักคนอา <c oughs> ทิปย์ดีนั่งอา่านหนังสือเชยบอกเอ้าอพ่อมาทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรเช่นบามานานแล้วก็ ไปด้านตะลึกเจ้าโบกว่าแล้วว่าเจ้าตรงั้นก็นั่งอยู่หน้าห้องนะแล้วทำไมไม่ข้าวมาเอาเจ้าหน้าที่หน้าห้องมันบอกว่ามีแขกแล้วแขกมันปาร์ติหารออกทางประตูไหนปาร์ติพอดีชื่อคนเปียกตายเนี่ยั ว, วเลาะแห่กันเลยถามว่าหลวงพ่อมีอะไระดีเดียวโรงเรียนเขาสร้างไปเสร็จ ขอเงินมาหลายหนแล้วไม่ได้เลยใช่หลวงพ่อเป็นทูตไปมาช่วยขอหน่อยแล้วพ่อมาชาไปเขาจ่ายไปหมดแล้วไม่หมดจ่ายไปแรวไปไดนทาก็พีเกินมันต้องเหลือนะเรียกเจ้าหน้าที่การเงินมาถามโนกนระอ่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่การเงินบอกว่ายังพีกินเหลือตั้งหลายแสนอ่าได้เล้เ ล, ล, ลอาตมาขอ ดอยขอหน่อยแต่ไม่แช่ขอสองแสนขอสี่แสนเพราะโรงเรียนอื่นแอบบมาด้วยแอบบมาด้วยอ็เลยได้สี่แสนก็ให้สงไปเขาก็สร้างเสร็จเรียบร้อยเจดรงเรียนเลยสร้างเจ็ร่เรียนแล้วเขาก็ฉลองบอกว่าสร้างเสร็จแล้วให้หลวงพ่อไปเปิดก็ลงเรือไปจากสงกราน ไปลอยเรืออยู่ในทะเลหน้าเกาะใหญ่ตั้งโชวโบงกว่าเข้าไม่ได้เพราะไป ม, มีคนมารับรออยู่นาะคนมารับถามว่าทาไมช้าโอ้ยเลางพ่อวันนี้มันวันดีเขาแต่งานกันหลายคู่เรือบดอ๋อฉันไม่ได้ดูวันแต่ดูฉันจะมาวันที่วันอุบาทั ไอ้วันไหนโลกาวีณาหรือวันโบาทจะจะมาวันนั้นคนก็จะไม่ได้ยุ่งงานกันไปดีไปเลยดูวันไปเลยดูฤกษ์เลยมาถูกวันดีเขาเขาก็รับเขาไม่มีใครมามาเด็กศึกษาอะไรก็ไ ม, มาบอกทำไมไม่เชิญผู้ว่ามาบ้่งอ๋อไม่ได้ผู้ว่ า, ม า, ม, ม, วามาลำบากไปรู้จะให้กินอะไรอ้าลูกตาลเนี่ย แกงลูกตาลยำลูกตาลของหวานลูกตาลตโดดระโดะโดว่าลูกตาลเยอะยใช่ไหมล้โอ้ยไม่ได้ของพ่อพูดได้แต่พวกผมทำอะไรอา้าวผู้ว่าเมล็ดเป็นหมอมเจ้าอะชื่อหมอมเจ้าทองคำเปลวบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้ท่านชอบเพราะท่านไม่เคยรับทานรับทานแต่มูเห็ดเป็ดไก่ ไอ้กินลูกตาลใช่ไหมแต่ก็พอใจแต่พวกผมทํำอะไรดีพวกเราไม่เข้าเรื่องทีหลังทำใช่ไหมตั้ง่านมาต่อแกงลูกตาลยําลูกตาลของหวานลูกตาลเอาลูกตาลทั้งสาม้ลยแต่ก็พอใจพูหลักผู้ใหญ่ไปบาดดอกก็ อ, อยากกินของพื้นเมื อ, องแต่ไม่ทาแล้วก็เปิดเองตามจริงประตูมันก็เปิดอยู่แล้ว กันเลเปิดทาพิธีชดดอยทั้งสองโรงไปเปิดบทอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยตัวอย่างเอาเวลาให้ผงฟังว่ามันไปยังสังคมมันไปยังต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะได้ไวนี่วัดพุทธปัญญาทำเรื่องไปหลายเดือนยังไม่ตกมาสักที วันนั้นเชิญท่านารัฐมนตรีพูดช่วยอาคมเองชวนมาพูดกับพระธรรมทาย่างพอพูดจบแล้วหลวงพ่อก็มาขอบพุ่นแล้วก็บอกเรื่องหลายเรื่องที่กรมการศาสนามันมีความช้าทามานไม่รวดเร็วแล้วบอกว่าวัดขอตั้งวัดส่งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้เชนสักทีโอผมเชนหลายวัดแล้ว แต่ยังไม่คงไ่ถึงวัดพุทธปัญเส ไ, ไปไหมน่ผมจะจัดการไว้ไว้ไปสองวันก็โทรศัพท์มาบอกว่าเส็นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งมาอ่ารัฐบบสีเซ็นแล้วยังไม่ส่งมาช้ารมละมานช้าเราเด่งไปเอาใบเบิกทางรถไฟโทรศัพท์ไปตาม ไปเบิกทางรถไฟของหลวงพ่อจัดการเรียบร้อยในอย่างโอ้เรียบร้อยครับไปรถไฟเลยไป่ยวดหมาทาปักปัดหมาท า, า, าก็บึงไปว่าลำพุไปไปหาเจ้าหน้าที่บอกเรื่องยังไม่มาครับถามไปที่ตรมเขบอกว่ามาแ้วถ้า ม, มาแน้วก็อยู่ที่ผมแต่นยังไม่มาเอาทำังก็เลยกลับมาที่กรง พากรมก็ถามเอตุนี่พวกเราทํา้านอย่างไงเวย้ยเรื่องยังไม่ถึงรถไฟระยะทางมันไม่ไกลอะไรจากตรงนี้ไปรถไฟพอหานมองตากันเลือกหลักเลือกหลักสงสัยเรื่องคองแกยโยที่รับสม่มเวรรับสมก็มีโต๊ะหนึ่งนะเขียนว่าเวรรับสม่มผู้หญิงทำหน้าที่ก็พาขันไปติดโต๊ะนั้น เขาก็ถามหนูก็นันว่าหนังสือเลขที่เตาดันถึงกลมรถไฟส่งแล้วอย่างไม่ไม่ไม่ลืมตาดูอ่านหนังสือเลมใหญ่หลวงพ่อจำเรืองดูเรียงอะไรอ๋อผูจชนะสิบทิศกำลังอ่านผูจนะสิบทิศคงจะอ่านตอนจะเด็ดเกี่ยวแม่ปูสุมาลแ ล, ล้ก็ลือกใน โตเรีนชัดว่าตั้งตึกตัวเนี้ยวางเรื่องเราเองก็เลือกใครก็พูดไหวอันแต่ไม่พูดว่าพวกนั้นก็เลือกเลือกาอยู่ที่เองแต่สองพ่อว่าดีรู้โดหน้าจนมาดูหน้ากันหน่อยโดยหน้าเรไม่ทําหน้าที่อะไรเวรรับสง่งใช่ไหมดีรับแล้วไม่สง่งไปทําอะไรอ่านอะไรนะอ่านตอนจะเด็ดเที่ยวแม่กุโซมาเลยไปทําหน้าที่ ดูเขา ก, ก็ได้แล้วเขาเลยหลวงพ่อรับนางเสือก็ออเราภกเรียกว่เวาเสียสองเที่ยวหน้าเรียกคาบกับเลเื่อยๆเรไปด้วยแก็เขียนห้านาทีก็เสร็จตับปลากรอบหลวงพอ่อเอาไปได้ <c oughs> มันไม่ยากชาติกรมการาศาสนาหลายเรื่องยากไม่ค่อยกระจับกระเจงบอกไว้สมัย ม, มอมันเอกปิ่นเป็นอธิบดี หลงพ่อบอกว่าแหมคนในกมาา ร, ร, รมกาศาที่ทำมาช้าอธิบดีพูดไงออกมาจากวัดทางนั้นแหละครับไปกวาดไคนออกไปจากวัดไี่ไม่เอาไหนเลยหลวงตั้งท่านอธิบดีด้วย <c oughs> เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยกระฉับกระเฉงหาดจึงช้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไ่าแต่คล้ายๆไปบ่อย ดาวเด็กเรื่องที่ดินของวัดส่งเรื่องไปแล้วช้องเดือนแล้วยังไม่รู้เลยเลยบอกปันเอกเจี๊ยวายาวัจจกรไปดูทีบอกไปเจอพบอธิปอดีอธิปอดีเวลาดันออกไปแล้วเป็นชาวสุ ร, ราษฎร์ อ๋อนักว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยเลยเรียกเจ้าหนะ้าที่มาด่าเลยให้พวกแกที่ทามาได้ามมาเสียชื่อรู้ไหมเรื่องของวัดไหนรู้ไหมวัดลนรถาน์เดี๋ยวเจ้าคนแก่ไปพูดต่างวิทยุโทรทัศน์ก็ะชิบายทั้งตรงไปทำมาวันนี้ไอ้กูเซ็นวันนี้พวกนั้นก็ไปทา ม, มาให้เซ็นเรื่อง ออกจากกรมไปเลยอ่า <c oughs> เรียกไปกันต่อเที่ยวเข็นกันไปนยังเฉยจา่าไม่เอาอะแต่ไปกรมการศาบนาตอนบ่ายเนี่ยไม่มีคนหลวงพ่อไปต่อหนังสือเดินทางไปตามไปยังจิตเรียบร้อนถ้าเขาบนมาเียบรอนไปหาสมเด็จวัดชุมเรียงท่านบอกว่าไม่ต้องระชุมแล้วําหนังสือ ก็เกณฑนังเสียไปกรมแต่ท่านบอกไปกรมตอนบ่ายนีกคงลําบากไม่ค่อยมีคนอยู่อาทิตย์กอนี้ก็ไม่อยู่รองก็ไม่อยู่แต่ออกไปเนี่ไปถึง ห, ห, ห, ห, ห, ห้องนั้นเบีผู้หญิงอยู่สามคนบอกว่านี่หช่วยทำหน่อยแล้วก็เอาไปให้อาทิตย์ก่อนี้เซ็นวันนี้ไม่ได้ครับไปได้อาทิตย์ตีไม่อยู่แล้วรองตั้งสามคนไปไหนไปข้างนอกหมดไปทําอะไร ราช ก, การราช ก, การท่างๆแต่ออกนอกตรมราช ก, การเลยไม่ได้เสร็จบอกว่าพรงพีจเจ้าหลวงพ่อมาเก้าโมงนะต่อให้เสร็จได้เรียบร้อยนะถ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็ได้เรื่องนะ <c oughs> ครูก็รอดหลูกเจ้าไปก็เรียบร้อยอาทิตีเสร็จเรียบร้อยทเได้เรื่องได้ไปก่อหนังสือเรื่องตามไปกระทรวงเลยให้ต้องไป ไปตื่นกระสวงก็ตั้มหนังสือให้ก็รีบด่วนก็เรียบร้อยไปแปลก น, นี้ความเฉื่อยชาของคนไทยเราทำงานอะไรชาชาเรื่อยๆไม่วอกไวพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องตื่นตัวต้องวอกไวต้องก้าวหน้านนี้สำคัญต้องเทศกันบ่อยตื่นตัววอกไวก้าว ตื่ตัวหมายความว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรต้องรู้จักหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความบอบวัยทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ารวดเร็วประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเรานั้นตื่นพร้อมกัน พระเจ้าแป่นดินญี่ปุ่นสมัยนั้นชื่อจั ก, กรฟัดเมจิอายุสิบกขึ้นสมัยรากเรียกว่ายังทรงพระเยาว์รัชการที่ห้าของเราสมัยรากเมื่อพระชนมาายุสิบกเหมือนกันเรียกว่าพร้อมแต่ญี่ปุ่นนั้นเขาตื่นตัวแล้วเขาลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้า ทิ้ประเทศไทยไปไกลนิบเลยประเทศไทยตื่นแล้วนั่งอมนำลายยังไม่ได้เข้าห้องอาบห้ามยังไม่ได้ทำอะไรเวลาเสียไปกี่นาทีก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปทันเขาอย่างไรเรยอปุ่นเขาไปไกลไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาวิ่งไปทำงาน ชาวชาวคนญี่ปุ่นวิ่งไปทตำนานคนเนวซีเล่นก็วิ่งไปตำนานพองเราเดินเฉยเฉยเกิดรถรถติดบ้างอะไรบ้างก็ อ, อ้างเขาในเวลานี้รถติดตามาชาก็ อ, อ้างรถติดจนไม่มีใครพูดรถติดเนี่ยจักรชาเสียเวลาญี่ปุ่นมันวิ่งญี่ปุ่นทําสงครามแพ้มา ขอไปเหลือแต่การเกงในเขาว่าได้แต่ญี่ปุ่นพร้อมใจกันสร้างชาติสามสิบปีคนญี่ปุ่นไปยืนเคียงบ่ากับเศรษฐีจ็ดชาติของโลกได้บ่ห่ ว, หวเขาไม่ชาของเราอย่างตัวเตียบจะไม่จำนาน อยากตัวเตี้ยอย่า อ, อย า, ไ ป, อาไปไม่ถึงไหนแต่ว่าเขาไปไกลเราเป็นเจ้าของเป็นบางพุทธใครๆก็ว่าบางไทยเป็นบางพุทธแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ได้นำพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันจช้าไม่ทันเหตุตการ แล้วก็ไม่ค่อยเอาธรรมะมาใชาย้ยังเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเบิกตังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่ายังดีอยู่หน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยเกาหลีอินโดนีเซียปล่อยด้วยปลอยไปด้วยฟิลิปปินส์ก็ปลอยไปด้วยเกาหลีนักกว่าเราอินโดนีเซียหนักกว่าเร า, าได้ช่วยไว ท่าไว้ดีหน่อยแล้วก็แก้กัญญาเต็มที่ฮะกนณีการแก้ปัญหาอะไรมันต้องแก้ที่คนเพราะคนเป็นผู้สร้างปัญหาคนก็ต้องแก้ปัญหาแล้วแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่จิงเองิญว่าวาดีอ่านหนังสือเพ็นพบข่าวพูดศสนา โฆษณาว่าหลวงพ่อชื่ออะไรมาอยู่ที่นั่นเป็นผู้เก่งทางลงณนหน้าทองแต่ใครอยากจะไปลงนะหน้าทองก็ให้ไปที่ตรงนั้นหลวงพ่อนั้นจะได้ลงหน้าทองเสกอะไรอะไรให้อ่านแล้วไม่สบายใจ พระอะไรอุตริขนาดจากนั้นไปลงหน้าหน้าทองให้แก่ชาวบ้านแต่ผู้หญิงนะพระไม่แต่ต้องล้วให้คนอื่นทำแนละ้วพระจับมอือคนนั้นต่อกันไฟมันช็อดกันอยู่นี้ให้ผู้ชายทำพระก็ไปจับผู้ชายต่อแต่เป็นไฟค้ามันก็ยังช็อดกันอยู่แล้วเนีน่ถึงว่ายชายแรงไฟมันก็ช็อดจิตใจมันแหว่งได้ ก็ให้ลงทองมาปิดปิดแล้วก็เอาเบอร์ไข่ยี่ทองมันบางเหลือเกไขยี่มันก็หายไปแต่คนก็ใจว่าทองหายก็ไปในเนื้อนี่คือความรู้มันไม่ได้หายไปแล้วไข่ยี่ไขยี่มันติดเบอร์ติดให้หายไปทองแผน่นที่เดียวแผ่นบางๆไขยี่ไขยี่มันก็บดไป แล้วเข้าใจว่าท่านเสกทองข้าวตัวแล้วคนนั้นมันจะดีอย่างไรเดกทองข้าวตัวแล้วมันจะเพิ่มความสวยขึ้นอะไรอะไรมันดีขึ้นไหม น, นี่เรื่องความโู้นะไม่ได้เรื่องอะไรแล้วพระก็ปล่อยกู้ไปด้วยไปทำอะไรอย่างนั้นตาลงหน้าตาทองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ชาวพุทธควรกระทำเพราะชาวพุทธเรามันต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในรระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่วัดต่างๆชอบทำไสยศาสตร์ลงโฆษณาในหนังเสื้อผิมพ์ด้วยว่าเก่งอย่างเก่งอย่างนี้ โอหกพกลมทั้งนั้นอวดอุตริบารุธรรมทั้งนั้นมันไม่ได้จริงจังอะไรแล้วไปแชกคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่อ่านหนังสือเป็นบ้มมางอ่านแล้วพบเรื่องเช่นนี้มาเรียบเขาพบแล้วเฉยทำไมวันต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม เทระสมาธิสิบวันก็ประชุมครั้งหนึ่งสิบวันก็ประชุมครั้งหนึ่งใครอ่านพบก็ต้องข้าวที่ประชุมแล้วออกคําสั่งเรียกพระองค์นั้นให้มาเสกทองที่นี่ที่ที่พระที่นั่งตําหนักเพชรวัดมวรให้มาเสกให้ดูที่ทองมันจะหายไปไหนหัวอุตริใหเข้ารแล้วก็บอกว่าอย่าทําต่อไป ครั้งนี้ยกโทษให้แต่ต้องเลิกหากินแบบนี้อย่าทําแบบนี้ต่อไปแต่เกิดทาต่อไปจับได้คราวหน้าซึกเลยไม่ให้ผมพาเหลืองหา ก, กินต่อไปอเอาให้มันเด็ดขาดบ้างทําจริงแช่บ้างก็จะได้เรื่องในเราพระก็จะได้กลัวเปล่งแตวนี้พระทําอะไรนละเทะก็ไม่มีใครว่า ไปจับคุมไม่จบม ไ, มจไม่เรียกมาเตือนไม่เรียกมาว่าพุทธศาสนาที่แท้จะโผล่ขึ้นมาจากเิงสกปรกได้ยังไงไปเจงสกปรกปิดไว้โบท๊ทจะโผล่ไปได้เปลากระป๋ตาติดอยู่ใต้น้ําแข็งเยโผล่ไม่ได้แต่ว่าคนไปขุดน้ำแข็งให้เป็น บ, อบ่อปลาก็โผล่ตรงนั้นก็เอาเบ็ดไปล่อตรงนั้นะ เอาสวิงไปตักข้าวตกแล้นะแต่กินวันกันเน่เราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาหลวงพ่ออ่านข่าวอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบไ ม, ไม่สมัยเพราะมันเป็นข่าวที่เป็นอภิมงคลแก่พระศาสนาแล้วก็มีเห็นกายเหรียญเหรียญพระองค์หนึ่งมาสมัยมีชีวิตอยู่หลวงพ่อรู้จักดีเป็นพระที่เมา เดิมน้ำเมาทุกวั น, น้าแดงกัมตลอดเวลาไม่ใช่เลือดขวานี้นะเมาเช้าเมายินแต่คนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้เรื่องยังอุตส่าห์เอาน้ำเมาไปขวาท่านทุกเย็นน้ำตาลพอขึ้นตาลเอาใส่กระบอกไปถาวายให้ท่านมองเดี๋ยวดี้ตายแล้วคนยังไปไหว้รูป แล้วไปเส้นรูปด้วยน้ําตาลเบาด้วยเหล้าอ่เพราะว่าไม่สอนให้ชาวบ้านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเนี่ยของพ่อเป็นภาคเวลานี้ปากนั้นแหละจะต้องไปที่วัด น, นั้นสักวัน เ, เรียกประชุมชาวบ้านให้เลือกบูชาพระกิมเมากระติแล้วโฆษณาเหรียญสามเหรียญอย่างนั้นจนนําดอนเก้าร้อยเหรียญเหรียญละห้าร้อยบาท อย่างเหลือร้อยเดียวคนไปคนข้างนอกเขาไม่รู้นักว่าหลวงพ่อไีก้เก่งความจริงไม่ได้เรื่องศีลห้าก็ยังไม่ครบไมได้เ่องอะไรศีลห้ามากข้อที่ห้ายังไม่ได้ประทึกเลยยังเมาอยู่แล้วจะเรียกว่ามีศีลอะไรแล้วจะดีแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ตับส่งเสริมเช่อด้วยเอาเหล้าเอาเของเมาไปถวายท่านบ่อยๆ ไปในบ้านในเจ้าก็ใส่ถ้วยมาถวายแล้วบางที่ก็ใส่ขวดดำดำขวดแผํานดำขวดเล่าจีนนะเคยดูหนังจีนไวดมันใหญ่ ข, ข้างล่างข้างบนคอข็บๆยกเิก็นกันทั้งขวดเลยใส่ไว้ถวายเอาไปไหว้ข้างเตียงนอนเดินบ่อยๆ จนตายไปตายไปก็เบาะไม่ได้สมีเรลียนกายแล้วเปลียนพ่อแล้ววัดนั้นซึ่งไม่ถูกเรื่องส่งเสริมความชั่วร้ายไม่ไม่ได้ความอะไรเป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธบริษัทไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้สอนกันได้เข้าใจแถวอำเภอั้นมีพระเมากันหลาย เวลาไปเทศสอนคนเห็นไอ้ดมดมสามคนมันโกลหัวอย่างไม่ยาวนั่งฟังอยู่ข้างหน้าถามว่าเธอไปบวชมาหรือครับบวชกี่วันบวชเจ็ดวันศีนห้าไปอะไรบ้างตอบไม่ได้ถามว่าสี่ห้ามีกี่ข้อมันยังตอบไม่ได้เลยแล้วไม่ก็ตาย ก็เสียนห้ามันบอกอยู่แล้วว่าเสีนห้าแล้วถามว่าเีนห้ามีกี่ข้อมันตอบไม่ได้เลยถามว่าบวถวัดไหนอ่ะก็ก็บอกชื่อวัดอ่อบอกชื่อวัดหลวงพ่อว่าออมันจะรู้ได้ไงเพราะสมภารแกก็ตือจีน่าไม่ครบอยู่เหมือนก <c oughs> ันเลทเทะไมได้ความเป็น่ไปไปงั้นชาวบ้านก็นเลยเละกันย อำเภอนั้นแบบนี้ไม่พัฒนาคนก็ไม่พัฒนาวัดก็ไม่พัฒนาก็มีแต่เรื่องเรลวไหล อ, อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วเะไรพวกกี่เบาตายหมดเราไม่ได้แก้ใครเสีายญาติโยมต้องเปิดหูเปิดตาใช่ยวบอย่าไปเชื่อสิ่งเหลวไหลเหล่านะั้น ใครคโคตรสนาว่าไอ้ด้านดีไอ้ดีนดอดดีอย่าไปเชื่อมันดีอยู่ที่ตัวเราตัวเรานะั่นแหละมีทั้งดีตั้งชั่วมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งความเสื่อมตั้งความเจริญอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรสิ่งภายนอกไม่สามารถจะทำเราให้เป็นอะไรได้ไม่ได้ทำเราให้เป็นอะไรนะ ในวันปีใหม่นี้คำที่ใช่มากที่สุดขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลลูกจงดนบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปีลองคิดได้ดีจะดนบันดาลได้อย่างไรคุณพระศรีรัตนารัรจะมาดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้อย่างไรมันเป็นไม่ได้ แล้วอย่างไม่เพียงนั้นอย่างอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายในสาลละลูกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมันมีไหมมันช่วยอะไรได้ถ้าช่วยได้ก็โจนไม่ต้องข้าไปปลนร้านทองไม่ไปปลนธนาคารเพราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเมืองไอ้หน้าธนาคารก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนธนาคารก็ไหว้ทุกวัน แล้วทำไมไม่ไปการซิบข้าหูระวังนะว่านี้โจรจะมาปล้นนะจะได้เตรียมตัวเกรียมปืนไว้มาเข้ามาก็จะได้จี้มันแต่ที่จะให้โจรจี้เราจี้โจรออกไปเลยเจียมมันหมอบนอนพั้มจะต้องให้คนเหยียบแล้วเหยียบอีกจะอจะได้จับได้เล่าไม่มีเลจับไม่ได้ สิงศักดิ์สิทธิ์เราเรียกว่าศักดิ์สิทธ์มีตั้งแต่นั้นเยอะแยะช่วยอะไรได้ช่วยไปได้บ้านเมืองก็เหมือนเดิมเพราะคนมันยังไม่เปลี่ยนแปลงคนยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าคนเราเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า อะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากตัวเราเองความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเลยโยมไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหน ชาพุทธไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นแต่เชื่อว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราเกิดจากความคิดเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทำเกิดจากการคบหาสมาคมเกิดจากการไปการมาในที่ต่างๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ตัว เรื่องของคนก็เกิดที่ตัวคนเรื่องครอบครัวเกิดจากคนในครอบครัวเรื่องในสังคมก็เกิดจากคนในสังคมเรื่องในประเทศชาติก็เกิดจากคนในชาติไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนการแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่แจ่ไปแก้ที่วัตถุไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไร แต่เรามาศึกษาตัวเราเองว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราครบหาสมาคมกับใครเราไปที่ไหนยังได้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องให้หมอดูไม่ต้องไปสั่นก็บอกตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มันอุ้แต่เรามองที่ตัวเรามองด้านใด มองว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรเราพบกับใครเรามีปกติประพฤติตนอย่างไรมันจึงเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยท่านคิดอย่างนั้นคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเองคนเราไม่ค่อยมองตัวเองไปมองแต่คนอื่นพูดแต่เรื่องคนอื่น แต่ไม่นั่งมองตัวเองพูดเรื่องตัวเองเสียบ้างยังไม่รู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนมองตัวเองพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองประโยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่อะไรการิตาเป็นเรื่องของชาติของบ้าเพิ่ ต่ อ, อยาดึกว่าพระพรหมให้ทูตแล้วปีนหลังคาขึ้นไปไหว้พระพรหมบนธรรมเนียบพระพรหมแล้วแกนั่งเฉยๆแกไม่เลยลุ่ยไปเชี่ยพระพรหมสีหน้ามาแจกงแกมองด้วยหน้าทั้งสี่ของแกมาเลยที่ทาเป็นสีหน้านะเขาะว่าเรามาเปลี่ยนพระพรหมเป็นตัวธรรมะ พระพุทธเจ้าเปลี่ยนพรมพที่เป็นบุคคลให้เป็นตัวธรรมะธรรมะสี่อย่างคือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นการุณาทนไม่ได้มาเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็เข้าไปช่วยโมติตายินดีเบิกบานใจมาได้ทำอะไรให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นเพราะสบายอกสบายใจ อุเบกขาวางเฉยเพราะทําไม่ได้ช่วยไม่ได้แผ่เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้บุติทาก็ไม่ได้แล้วอุเบกขาวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเฉยเฉยไม่ใช่ฮะเฉยด้วยปัญญาได้คิดว่ากรรมของสัตว์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเติดนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้ตัวนั้นผู้จะเป็นบุคคลชั้นนำเป็นผู้ใหญ่ต้องมีพรหมธรรมตั้งสี่ประการประจำใจต้องมีเมตตาปราร t นาความสุขความเจริญแก่ทุกคนต้องการุณาช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนช่วยไปตามหน้าที่ช่วยตามตัวบทกฎหมาย มีคนบางคนเป็นทุกข์เป็นฝาลูกเต่าไปนอนอยู่หน้าทำเนียบขอให้นายกไ ป, นนไไไ ป, ไ ป, ปช่วยถ่ายที่ดินเรื่งไรไม่ถึงเรื่องไรแล้วอีงานที่เขารีบไปแล้วเพราะเป็นหนี่เขารลงให้ช่วยตายเกินไ่าแล้วก็จะได้เข้าไปอยู่แล้วค่อยป้อนส่งกันท่านายกหาเรื่องนายกแกเ้เดือยกับแกป้ปัญหาเสร็จกิดจวนรวมก็เต็มตนแล้ว อย่าไปหาเรื่องใสอีกเพราะไอ้แม่หญิงคนนั้นมันไม่ประพฤติธรรมไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองทําจนกระตั้งเอาที่ดินไปจำนำจนขาดมันบกพรอ่องจะไปขออายกช่วยอย่างไรมันต้องช่วยตัวเองจะหาวิธีช่วยตัวเองในทางที่ถูกที่ชอบหรือบางทีก็มากันยเยอะแยะ เอกกล่จะมาแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมามาตั้งกองอยู่ข้างทำเนียบจกขับรถอยู่เท่านั้นแหละจะเอานั่นจะเอานี่เสียผู้เสียคนจะไปทําำไม่รู้จัดจัดตัวเองมาขอให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะมันมากเลอะเลยืละบางทีช่วยไปแล้วแต่มาอีก เป็นเรื่องเกิดจรินตอนเขาช่วยกันไปแล้วจ่ายกันไปหมดแล้วย้ายไปแล้วแต่คนอื่นไม่ได้อยู่ในบริเวณยังมาอีกอ้างว่าทำเกินแล้วจับลลาไม่ได้หากินไม่ได้ต่อมาขอเงินเออจะให้ยังไงมันผิดระเบียบผิดหลักการไม่อยู่ในบริเวณที่สร้างเกิดสักหน่อย แต่ยมอยู่ริมแม่น้ำมูดไม่อยู่ตรงอื่นหาเรื่องมาขวนเมืองนี่ไม่ได้เรื่องอะไรอไปอย่างนั้นยุบทำเรื่องให้ยุบขอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยบางคนก็อาวัดมาว่ามาขอให้หลวงพ่อช่วยเรืือช่วยเรื่อนี เรื่องนิดๆหน่อยๆพอช่วยได้ก็ช่วย้เรื่องหนักมันก็ช่วยไม่ไหวแล้วจะหาว่าหลวงพ่อใจจืดใจดาไม่ช่วยใจมันก็ไม่จืดหไม่ดํารกมันแดงเหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีสตางค์จะช่วยแล้วจะไปช่วยอย่างไรไปอย่างนั้นอยู่ไปช่วยตัวเองไปเพิ่งตัวเองตัวเองจึงเดือดร้อน การช่วยตัวเองหมายความว่าเราประพฤติดีตรประพฤติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินในสิ่งสนุกสนานเองาว่าสมัยว่าสมัยศิลต่ า, างเพื่อฟูเราก็ไม่ใช่แบบสุรุ่ยสุร่ายใช่ตามที่เคยใช้ ถาราชการคนหนึ่งแกะได้เงินเดือนจํานวนหนึ่งก็ใช่พอได้เงินเดือนเพิ่มก็อยู่เหมือนเดิมเลือนชั้นเลือนตําแหน่งก็อยู่เหมือนเดิมกินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเพราะไม่เพิ่มหนี้ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างประหยัดอดอมอมกินอยู่แต่พอดี ไอ้คำว่ากินดีอยู่ดีเลยอย่าเอามาใช้เลยมันยุ่งเพราะไม่รู้จะเอามาตรฐานของใครมาวัดกันแต่ถ้ากินอยู่แต่พอดีตัวเราวัดตัวเราอยู่ในตัวแหน่งกินอิ่มต้องมันก็บอกหิวมันก็บอกเดืมนม้ําอิ่มต้องมันก็บอกนอนนานมันก็บอกพอแล้วลุกขึ้นได้แล้ว เดินนานมันก็เหนื่อยก็นั่งเสียบ้างตั้งนานก็เหินื่อยบ้างเปลี่ยนอิริยาบทสี่ให้สมบูรณ์ไปเรียบร้อยมันก็ไม่หยุงไม่อยางชีวิตปลอดภัยรุกไปแค่เจ็บก็เกิดน้อยไปต้องไปรักษาตัวด้วยราคาแพ ง, แงเดี๋ยวดีโรงพยงาบาลชนรัฐบานเน่มีคนมาขอบ่อย เพราะเขาเห็นว่าอาตมาสร้างตึกใกล้โรงพยาบาลแล้วมาก็ห้อยฝากหมอบางคนก็ไม่ฝากค่ะบอกไปแต่หมอเขารับไม่ต้องฝากก็ได้เขียนบ่อยๆหมอก็รําการราการว่าหลวงพ่อได้ยุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วจะเขียนในทุกระดับบอกไปเขารับอยู่กัน ก็ดูแลรักษาเองไม่มีอะไรก็สั่งไว้แล้วว่าคนไข้ามาอย่าปฏิเสธให้รับฟายรักษาไปตามหน้าที่หายก็ส่งกลับบ้านตายก็ส่งมาวัดเขากันไม่ก็เท่านั้นแล้วไม่อยู่อะไรลักดามันไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าครจะมาขอให้ฝากหน่อย บอกวาฝากไม่ฝากก็เท่ากันไปเถอะเขาก็รับไปรักษาแตายเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงคนมันจะตายทํำไมมันก็ต้องก็ต้องหลงลงไปบทีป่วยโรงพยาบาลอื่นเสียเงินมากไมเอาหรอพ่อช่วยฝากหน่อยก็สงสารก็เอาเขียนจดหมายฝากไปน่ให้เขารับไป รับไปก็ตายไปแล้วพรามันหนักแล้วไปไม่รอดช่วยไม่ได้คนมันจะตายก็ต้องตายคนที่ไม่ตายมันก็ยังไม่ตายอยู่ต่อไปธรรมดาแต่ก็ก็ชอบฝากคนไทยเราอยากนะชอบฝากชอบไปฝากฝากเด็กข้าโรงเรียน่อยฝากนั่นฝากนี่ รูไปจัรมาร้านไปติดอ่ะหลวงพ่อรู้จักไครบ้างเหรบอกว่ไม่รู้จักรู้จักแต่ชื่อต่างหนังสือพิมพ์ไม่รู้เองเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยใครมาอยู่วัดเด็กๆมาจากบ้านนอกมาอยู่วัดนี่บ เ, เธอต้องเรียนเองต้องช่วยตัวเองอย่ามารบกวนฉันเลยเจยวฝากอ่านฉันจะไม่ฝากฉันไม่ทาลายพวกเธอ แต่่ันต้องการให้เธอเข้มแข็งรับงานก้าวหน้าไปเรียนเอาไปสอบออามันก็ไปสอบได้เด็กมาจากพัฒนรุงชุดเดียวห้าคนสอบข้าโรง เ, ร, เรียนเตรียมได้หมดไม่ได้กว่าเพราะไม่รู้จักใครก็ก็สอบได้เดี๋ยวนี้ก็นายออกเป็นนายร้อยนายเรือนายฐานอากาศไปเรียนอยู่ประเทศเยอะมังสองคน สอบได้ไปอยู่กาเวสปอยคนสอบได้มันก็ได้ของมันมันช่วยตัวเองพึ่งตัวเองก็ได้ไเราเปลี่ยงแ่ช่วยมันให้ช่วยตัวเองช่วยคนให้ช่วยตัวเองจึงจะเข้มแข็งแต่ถ้าเราช่วยให้เขาอ่อนแอเอาตัวไม่รอดมันก็ทำลายเด็กคนพ่อแม่เลี้ยงลูกให้อ่อนแอก็เหมือนทำลายลูก อย่าเลี้ยงให้อ่อนแอต้องให้รู้จักเข้มแข็งให้ทำงานทำการบ้างให้รู้จักกวาดกะยะอจใจากร่างจานได้รู้จักซักเสื้อผ้าให้รู้จักเก็บที่นอนหมอนมุ้งเวลาตื่นให้รู้จักจัดหนังเสือเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหัดเขาบังคับเขาหน่อยเด็กก็จะไม่เหียวไหลเป็น พอโตเป็นดมแล้วหลายนหะ่นเป็นความผิดของคุณแม่กับคุณพ่อนะเนี่แต่เป็นความผิดของแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่ตามใจลูกบางทีพ่อโดอยไปดูลูกมายังเล็กอายุสิบป้าน่ามยังเล็กอยู่อย่างนี้เด็กมันจะก้าวหน้ายัางไงมออันก็อดซ้อตามกับคุณแม่ตลอดเวลาพอพ่อดูก็มาซบก็อบแม่ แม่อะไรตัวการที่ทำให้ลูกเสียหายเฉยๆถ้าพอดูก็ทาเฉยๆหลับตาหลับหูค่อยว่าคดีหลังตีหลังบอกเลยตีหลังอย่าประพฤติอย่างนี้พ่อไม่ชอบพอดูแม่ช่วยไม่ได้หรอกลูกต้องระวังตัวเองคอยสอนพคดีหลังแต่นั้นจริงเรียกว่ารักลูกช่วยลูกให้ถูกต้อง ช่วยคนก็มวยการอย่าช่วยให้เขาอ่อนแอแต่ช่วยให้เขารู้จักช่วยตัวเองจึงจะเป็นการช่วยที่มัน่นคงถาวรหลักการควรจะเป็นอย่างนั้นพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอจติตวิไย้แต่เพียงนี้ตอ่อไปก็ขอเชิญญาณโยมสงบใจ ทำสมาธิ5นาทีเดินสำรวจ7แบบสเพสตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เ <ules> จ yeah. ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสยาุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินนงส้นเถิด